ผวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายการสัสนิสนทนามาแล้วนะคะสัสนิยมนาคคงทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอค่ะทุกวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ก็จะเปนการสนทนาธรรมกับพระมหาภัยบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีซึ่งตอนนี้ที่นั่นก็เหมือนที่อื่นนะคะคือออกพรรษาเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังจะเข้าไปสู่การทอดกรถินในวันอาทิตย์ที่ยงถึงนี้ เราไปกราบนมัสการท่านพระมหาภัยบูรณ์กันก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะได้กราบเรียนถามในทุกๆเรื่องของท่านพร้อมกับเตรียมตัวกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมสะก่อนเล็กน้อยก่อนที่จะไปฟังธรรมกันน้ำสการะท่านคะเจียมพานเราจะเริ่มการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมสักก่อนเพราะว่าในขณะที่เราจะฟังธรรมไม่มีความเข้าใจได้สติเราตั้งเอาไว้สติที่ตั้งเอาไว้นี้จิตก็จะ มีความเป็นอารมณ์เดียวบุคคลที่มีจิตเป็นอรมั์เดียวเวลาฟังธรรมะมันก็จะมีความเข้าใจได้วิธีการที่เราจะตั้งสติขึ้นนี้ก็ให้เรามาระลึกนึกถึงลมหายใจของเราลมหายใจของเราที่ผ่านออกผ่านเข้าอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเรารับรู้ถึงสัมผัสได้ที่บริเวณไหนในทางเข้าทางออกของจ ม, มูกเนี่ยก็คือในบริเวณโรงจ ม, มูกเนี่ย รับรู้ได้บริเวณไหนก็เอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตรงนั้นการที่เอาจิตตั้งไว้ในคํานี้ก็หมายความว่าให้เรามารู้สึกนั่นเองเนื้อรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ที่ไหนเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้ที่นี่การที่เอาจิตมาจดจ่อไว้ที่นี่กิริยาแบบเนี้คือการตั้งสติขึ้นละเพราะว่าถ้าจิตอยู่กับลมหายใจสติจะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเลยสติที่เกิดขึ้นนี้ก็เรียกว่าเป็น สัมมาสติแต่บุคคลที่มีสัมมาสติแล้วก็จะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แล้วความเห็นความเข้าใจที่เรามาคิดว่าเออฉันจะต้องมารู้มาแจงของฉันนะฉันจะต้องมาตั้งสติขึ้นนะความเห็นความรู้ตรงนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิและในบางครั้งบางคราวเวลาที่เรามีสติอยู่อย่างนี้ อาจจะมีความคิดนึกความดําริลไปในเรื่องใดๆความคิดนึกความดําริก็เป็นลักษณะว่าเป็นสัมมาสังกปะไม่ได้คิดไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนแต่คิดไปในทางที่จะไม่เกี่ยวข้องด้วยการหลีออกจากกามคิดไปในทางที่มีเมตตาคิดไปในทางที่มีกรุณาและบุคคลที่มามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่อย่างนี้กายของเขา แ, แน่นอนว่าไม่ได้ไปผิดศีลเวลาจะทําอะไรที่มันจะไม่ถูกในสตินี่ก็จะระลึกได้ว่าโอ้นี่ไม่ถูกฉันไม่ทํามีฮิริโอต ป, ปะกายวาจาเขาก็จะได้รับการรักษามีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะแล้วการดําเนินชีวิตที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยจิตที่เป็นอารมณ์เดียวการดําเนินชีวิตนี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะเวลาที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยอรอยิยมากมีองแบบ ก็อยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่ในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกระลึกรู้ลมหายใจของเราอยู่คราบยังเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปเกรงไปบังคับไม่ลมหายใจมันสั้นหรือมันยาวมันเร็วหรือมันช้าร่างกายของเราจะปรับตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกร่างกายฝึกการหายใจให้เป็นอย่างนั้นหรืออย่างนี้เรามาฝึกจิตของเราต่เพราะว่าจิตมันเหมือนกัะลิง เวลามันจะไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เข้าไปยึดครองจับฉวยอารมณ์ต่างๆเป็นตัวมันของมันแต่จิตที่เป็นอย่างนี้มันอาจจะไปติดกับดักของนายพรานได้เหมือนกับลิงที่เข้าไปติดตังเหนียวของนายพรานเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะป้องกันจิตของเราที่มันเหมือนกับลิงเนี่ยไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆไม่ให้มันไปในที่ที่จะเป็นกับดักของนายพรานได้ก็ต้องมีสติตั้งเอาไว้รักษาเอาไว้ เหมือนกับจัดลิงนี่มาผูกไว้กับเชือกก็คือฝึกจิตของเราผูกจิตของเราเอาไว้กับลมหายใจจิตที่ฝึกดีเนื่องจากว่าผูกมันแล้วฝึกมันดีแล้วเนี่ยจะนำสุขมาให้กับชีวิตของเราคนที่เดินตามทางมรรคแปดแล้ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในธรรมะวินัยนี้ได้พระบรตชาว่าอย่างนั้ น, นอาจารย์ปสาธุค่ะการท่านผัานันนั่นก็ เป็นการนำทุกท่านปฏิบัติธรรมด้วยการสอนจากคําสอนของภาษาสดานะคะโดยพระมหาไพบุญอภิปุลโนท่านพ่วมในการหลักสูตรกาลิกเร้นของวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีค่ะวันออกพรรษาที่นั่นมีกิจกรรมอะไรเยอะไหมคะท่านคะก็เป็นวันพระโดยปกติแล้วในช่วงพรรษาวันพระเนี่ยก็จะมีอุบาสกอุบาสิกาจากในหมู่บ้านมารักษาศีลอันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้าย ในรอบภรรษาก็ส่วนมนนั่งสมาธิฟังเทศกันตามปกติแล้วก็มีเวียนเทียนนิดนึงในในวันในคืนนั้นเนาค่ะอ่าก็จะกลับเยนถามมีคำถามนึงว่าเอ้เดี๋ยวนี้คนในชนบทซึ่งปกติแล้วส่วนใหญ่จะมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับวัดมากคือเหมือนกับว่าจะมาทำบุญรักษาศีลเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างปกติด้วยซ้าในอดีตใช่ปัจจุบันนี้ เ<ไ>ป็ ม, มามอของอ๋อยังมีนะคะยังมีแล้วก็ที่มีแต่คนแก่หรือว่าหนุ่มสาวก็ยังมาค่ะปีนี้ก็มากกว่าปีที่แล้วนะที่วัดป่าดอนไหนศกตั้งแต่ที่อาตมามาอยู่เนี่ยสิบปีละก็มากขึ้นทุกปีทุกปีแตคือปีแรกๆเนี่ยอาจจะห้าคนสิบคนอะไรเงี้ยแต่ปีทัตตมาค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มปีนี้ก็มีพวกลูกเด็กเล็กแดงคือหมายก็ว่าก็ไม่ได้เด็กขนาดนั้นแต่ว่าห้าขวบสิบขวบอย่างเงี้ยก็มี <Ừ. S 1> แต่พวกนี้เขาจะไม่ได้รักษาศีลแปดนะจะรักษาศีลห้าคือมากับ<ม>ครอบครัวใช่ใช่มากับแม่มากับย่าอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่ายังมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับอ่าวัดใกล้ชิดกับสถานที่ที่มีโอกาสจะได้รับธรรมะกันอยู่อที่นี่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ค่ะอืมแต่ว่าทางนู้นวัดจะเยอะถูกไหมคะที่อุดรเ น, นี่ยค ะ, ะใช่ใช่ในหมู่บ้าน น, นี้คะ่ะจะกระจายกันไปใช่ถูกต้องถูกต้อง แล้วแต่ว่าวัดไหน ใ, นใกล้หมู่บ้านไหนนะคะค่ะแล้วก็ทอดกระถิ่นก็กำลังจะเกิดนในอีกไม่กี่วันข้างหน้ า, านการเตรียมการเป็นยังไงคะสมมุติเกิดเนี่ยท่านผู้ฟังอยากจะไปเพราะว่าเห็นเป็นวันหยุดพอดีเลยใช่จะทอดกี่โมงย่างไรคะเอในวันนั้นก็จะมีการถวายอาหารเช้าประมาณช่วงเจ็ดโมงถึงแปดโมงเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารใส่สัพท์เรียบร้อยก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะเริ่ม ถวายภาคตินตอนสิบโมงเช้าแล้วก็จะทําการเสร็จสั์อะไรก็เที่ยงไม่เกินเที่ยงก็เสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าเกิดว่าถ้าจะไปทาไมเช้าเช้าใช่ในวันนั้นหลวงพ่อก็อาจจะมีแสดงสมุดตุนีคาถากล่าวอะไรเป็นโอวาทเล็กๆน้อยๆช่วงก่อนที่ช่วงที่รับภาคตินนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าทํากันให้งดงานตามประเพณีท่านคะสังเกตอะนะคะว่าเขาทำกันตอนเช้า แต่พอมีคําถามว่าที่วัดทอดบ่ายหรือเปล่าอะไรงี้ยดิฉันงงกันเลยนะคะว่าเอตอนสไม่เคยสงสัยว่าทอดกระินเนี่ยทอดตอนบ่ายได้หรือไม่จริงๆแล้วเป็นไงค ะ, ะได้ได้สิยังพรรษาแรกออกมาอยู่ที่วัดบรวรเป็นกระถินพระราชทานแล้วก็มาในช่วงบ่ายหลังชั้นเพลไปแล้วคือหลังสิบสอนนาฬกาเนี่ยถึงจะค่อยมีพิธีนั่นก็เป็นในช่วงบ่ายได้แน่นอนอ๋อค่ะแต่ว่าที่วัดในทอดเช้าใช่ มาถึงคำถามค่ะท่านคะวันนี้เรามีคําถามจากท่านฟังหลายท่านเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะทยอยๆกันถามไปคําถามแรกท่าอาจารย์ต้องการที่จะให้ตอบในวันนี้เป็นเรื่องของการถือประมาณในบุคคลสําหรับคําถามของคุณจกกักรเกตค่ะท่านคะท่านถามมาว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้บุนคคลชอบถือประมาณในบุคคลอืเช่นคนนี้เป็นพระอาราหารันคนนี้เป็นพระสุดาบัน อยากรู้โทษของการชอบถือประมาณในบุคคลช่วยกรุณ า, าอธิบายความด้วยค่ะถ้าจะพูดถึงคำถามของคุณจั ก, กริดนีนะว่าตรงเนี้ย อ, อ, อยู่ในส่วนไหนของที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอันนี้เป็นเป็นหลักการที่สําคัญนะคุณโยมติ๋วเวลาที่มีใครเขาพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทซะก่อนกลับมาที่ตัวแม่บทว่าเออที่คนนี้เขาพูดเนี่ยจะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไวในอย่างไร หลักการที่จะกลับมาที่ตัวแม่บทเนี่ยจะทําให้เราไม่พลาดจะทําให้คําสอนเนี่ยตั้งอยู่ได้นานด้วยเพราะฉะนั้นในคําถามของคุณจักรีนี้เรามาดูที่ตัวแม่บทกันสักนิดหนึ่งว่าที่เขาท้าพูดมาอย่างนี้นะีพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้อย่างไรในเรื่องนี้ในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันะในส่วนแรกที่อาจจะเป็นต้นคําถามของคุณจักรีในที่นี้อันนี้มาในมิขสาลาสูตร ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านพระอานุนนัมบารออุบาสิกาที่ชื่อมิคาสาลาว่าการที่จะไปถือประมาณในบุคคลอื่นอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้นะบอกว่าอานนุ์เพราะเห็นนั้นแลเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนนะว่าอย่างนี้ แล้วก็ลงท้ายจบไว้ตรงนี้ว่าเราหรือผู้ที่เหมือนเราเพึงถือประมาณในบุคคลได้อันนี้คือในพระสูตรที่หนึ่งทีนี้คําว่าประมาณในที่นี้แต่เราจะมาตีความกั น, น, นในพระสูตรที่สองอันนี้มาในคุตตากนิกายพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นคำที่เป็นคาถาแต่บอกว่าประมาณเครื่องกําหนดและไม่มีทางที่จะเอามาใช้กับบุคคลพูดถึงซึ่งความดับแห่งการยึดถือตัวตนใ น, นในที่นี้ก็คือ หมายถึงเป็นพระอาาระธานไปแต่ทีนี้ในคําถามที่คุณจักริดถามมาเราไล่ไปตีประเด็นเอาคําว่าประมาณก่อนนะครับว่าเครื่องกําหนดนะคำว่าเครื่องกําหนดนะแี่ทีนี้ต้องกําหนดบทแปลชนะให้ดีนิดหนึ่งเพราะว่าเครื่องกําหนดกับเครื่องวัดสอบเนี่ยจะไม่เหมือนกันค่ะคือในพระสูตรแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าประมาณเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าเอาอะไรประมาณในในพระสูตรที่สอง ที่มาในคุตตะการนิการเนี่ยอธิบายถึงว่าเครื่องกําหนดไว้ก่อนโดยอธิบายอันนี้เป็นเรื่องที่เคยตราดกับพระรามที่ชื่อว่าวัชชะแต่ว่าเอา้าพระอาหารหันต์ตายแล้วไปไห น, นาตายหรือเปล่าหรือไม่ตายหรือตายก็ไม่ใช่ไม่ตายก็ไม่ใช่อย่างนี้ซึ่งบ๊อบปุจจานไม่ได้ใช้คําว่าตายเนื่อเพราะว่าความตายดับไปเอา้าแล้วทํายังไงก็คือมันดับไปเฉยเนื่องเปรีเหมือนกับไฟที่ดับไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาไปประมาณนจะมีอยู่ส่วนสองส่วนคือเอาสิ่งที่ไป วัดเนี่ยเอาอะไรไปวัดนะอย่างสมมุติว่าถ้าเราจะวัดปริมาณน้ําคุณก็เอากระบวยไปตักหรือว่าเอาถังหรือเอากระบุงอะไรไปตักที่มันจะวัดได้ว่ากี่ลิตรกี่ลิตรอันนี้คือเขาจะมีอุปกรณ์เป็นเครื่องมือชนะเป็นภาชนะต่างๆเหล่านี้อันนี้คือคุณจะใช้เครื่องกําหนดนี้ไปประมาณได้ทีนี้ในความที่เป็นอริยาบุคคลเนี่ยเอาเครื่องกําหนดก่อนแต่ถ้าเราจะมาดูกําหนดว่า เออคนนี้แม่ทําไมไม่พูดอะไรเลยนิ่งอย่างเดียวยสงสัยไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะหรอกแต่ถ้าเราจะเอาเคลื่อนกําหนดว่าอเอาแค่กาหนดว่าท่านนิ่งอย่างเดียวแต่ท่านคงไม่รู้อะไรดูพระเรเัตาพระเรเัตานี่เป็นผู้ที่นิ่งนะเป็นผู้ยินดีในการหลีกเลี่ยงใครไปถามอะไรท่านก็ไม่พูดด้วยแต่แต่เป็นท่านเป็นพระอาหารอย่างเงี้ยหรือถ้าเราจะดูภายนอกว่าโอ้ยปรารูปนี้ทําไมพูดน้ําไหลไฟดับพูดไม่หยุดเลย เดินก็แบบกโยงไปกระโยงมาเดินก็ไม่เรียบร้อยห้ยสงสัยแบบแบบประยัดเป็นงูพิษมีแต่ประยัดเต็มหัวท่าทางก็ไม่เรียบร้อยแต่คิดไปอย่างนี้นะนี่ท่านภาษาลิบุตรนะท่านภาษาริบุตนะรเนี่ยโอ้โหเวลาเทศศส น, นี่มันลึกซึ้งลึกล้าํามากเทศน้ําไหลไฟดับแล้วก็มีท่าทางแบบเดินกระโยงแต่ก็เป็นท่านภาษาริบุตรเป็นพระอะไรเหมือนกัน<ม>หรือเราจะไปดูประมาณว่าทาไมคนนี้มันเตีย้ยอ้วนด้วย แล้วก็ดําด้วยท่าทางนี้คงไม่ไม่มีความรู้ธรรมะอะไรมากแต่ก็มีพระที่ชื่อละกุลถากะเนี่ยตัวเตี้ยเดินไปสวนพระรูปไหนก็าเขาคิดว่าเป็นสามเณรเหนามือรูปหัวเล่นแต่พระพุทธเจ้ายืนยันมาพระรูปนี้เป็นพระอาหารหันต์อย่างเงี้ยเอาประมาณตรงนี้ก็ไม่ได้หรือถ้าในทางตรงนข้ามอ่ะจะดูว่าโหพระองค์นี้รูปงามเนินหลอ ด, ด้วยหน้าตาดีด้วยอย่างเช่นพระอุทายีอย่างเงี้ย รูปร่างหน้าตาดีแต่าสาวๆก็หลงแต่ท่านก็เลยเป็นต้นเหตุของอาบัตสังฆาธิเศษหลายๆเรื่องในเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามหรือท่านพระเทวทัตแตก็เป็นตระกูลกษัตริย์รูปร่างก็สง่างามมีฤทธิ์ด้วย แ, แต่ไหก็ชักชวนคนอื่นว่าเออไปทํามิจฉาทิฏฐิทําปิตุฆ่าอย่างนี้แต่ถ้าคิดว่าคนนี้มีคุณธรรมโดยดูแค่ภายนอกตรงเนี้มันไม่ได้คือเราจะเอาขันท่าเนี่ยเป็นเครื่องกําหนดไม่ได้เลย สำหรับใครสำหรับคนที่พ้นจากขันหน้าคุณจะาขันห้าเป็นเครื่องกําหนดกับคนที่พ้นจากขันห้าไม่ได้เท่ากับ ว, ว่าขันห้าที่กําหนดนคือขันห้าของเราใช่ไหมคะใช่เป็นกำหนดขันห้าของท่านไม่ได้ไม่ได้ค่ะคือคือขันห้าของท่านก็เอามากําหนดคุณธรมในใจของท่านไม่ได้อนะอะไรคือขันห้าเช่นอความสูงความหลอ่อนทะ่าทางการเดินคําพูดคําจานะมีกรณีหนึ่งพระที่ชื่ อ, อปีลินทวชะอย่างเงี้ยชอบด่าคนอื่น คือไม่ใช่ว่าท่านชอบด่าคนอื่นะเปลี่ยนมาว่าการใช้วาจาของท่านมันดูไม่สวยงามใช้ถ้าเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันเออก็เป็นภาษาพ่อคุณรามคาแหงอย่างเงี้ยแต่พระคุณธรรมของท่านสูงจะเอาดูที่คําพูดจาไม่ใช่เพราะว่าคําพูดจาก็ตามท่าทางรูปร่างคําพูดคําจาพวกนี้เป็นขันห้าหมดเป็นกันห้าหมดขันห้าเนี่ยจะเอามาประมาณวัดสอบการพ้นจากขันห้าไม่ได้เพราะเพราะมันแยกจากกันแล้วมันคนละเรื่องกัน อันนี้คือข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องอเรื่องกําหนดทีนี้อะไรละ่ะที่จะเอามาพอจะกําหนดได้แตนะ่ก็มีส่วนที่ว่าเป็นมครคคุณโยมติวลองลองนึกภาพตามนะว่าคนที่พ้นจากกันห้านี่สมมติว่าอยู่ฝาขวาคนที่ยังอยู่ในคันห้านี่อยู่ฝากซ้ายแลนะทางที่เชื่อมไปจากซ้ายไปขวาเนี่ยคือมครคแปดคือมครค8ดเชื่อมไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพอจะดูว่ า, วาเออพระองค์นี่มีศีลเออพระองค์นี้มีสมาธิเออพระองค์นี้มีปัญญาเออพอ จะรู้ได้ว่าเขาดีหรือไม่ดีอย่างไรอันนี้พอจะเป็นเครื่องกําหนดได้พอจะเป็นเครื่องกําหนดได้นอย่าง เ, เงช่นเราเ ใ, ชใช้คำว่าพอใช้คําว่าพออาตมาใช้คํานี้นะใช้คําว่าพอแต่ว่าจะเอาประมาณเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าฝั่งขวาที่เปรียบเส ม, มือนกับพ้นจากขันห้าฝั่งขวาที่เปรียบเหมือนกับนิพพานฝั่งขวาที่เปรียบเหมือนการไม่มีตัณหาเนี่ยมันเป็นที่อย่างไม่ได้มีสมัยก่อนอาตมาทำงานเกี่ยวกับการกุดจาะน้ํามันเนี่ยนะ มีนักธรณีวิทยาคนหนึ่งนะก็อายุตอนนั้นก็เกือบหกสิบละผมหงอกทั่วหัวเลยเป็นคนน<ๆ>ิวซีแลนด์เขาบอกดืมาว่าเวลาก็ททำขุดรูลงไปในในแผ่นดินเนี่ยนะในบอ่อน้ำมันเนี่ยการที่จะรู้ว่าข้างในบอ่อน้ำมันเนี่ยมีน้ำมันเท่าไหร่มีปริมาณสภาพยังไงเนี่ยคุณคุณเดาไม่ได้หรอกมันคาดการได้ยากมากเปรเียบเหมือนกับ ว, ว่าคุณเอาหลอดเนี่ยลงไปดูในบอ่อน้าเนี่ยว่ามันมี ใหญ่แค่ไหนเนี่ยหลอดนิดเดียวมันจะไปดูให้มันรู้เนี่ยมันยากมากเนี่ยเประเหมือนกับเส้นทางที่เรากําลังเดินไปเนี่ยนะคือมาร์กนะมาร์กเนี่ยนะเดินไปเพื่อจะใช้ถึงฝั่งคืนนิพพานเดี๋ยวมแล้วคุณจะไปอย่างรู้ว่านิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงลึกซึ้งแค่ไหนจิตใจเขาเป็นอย่างไรเนี่ยมันประมาณไม่ได้เพียงแต่รู้เฉยเฉว่าไปทางเนี้ยมันกําหนดไปถูกทางอยู่แต่จะประมาณด้วยวัดว่าศีลเท่านี้นะถึงจะพอสมาธิเท่านี้ถึงจะพอมันมันประมาณไม่ได้ แต่ไม่สามารถ <Yeah. S 1> ที่จะวัดประมาณได้อย่างนั้นอันนี้คือประมาณในนัยยะที่1นึ่นในเรื่องแรงเราพูดคาว่ากําหนดไปแล้วนะ <Okay. S 1> ประมาณเครื่องกําหนดอันนี้เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าประมาณเครื่องกําหนดคําว่ากําหนดนี้แบ่งเป็น2 ส, ส่วนส่วนที่เป็นกันหน้าเอามาใช้ไม่ได้ส่วนที่เป็นมรรคแเอามาพอใช้ได้พอใช้ได้ในเคสไหนเคสที่กําลังเดินทางไปถึงนะแต่จุดที่ไปถึงแล้วเนี่ยคุณจะประมาณเนี่ย ประมาณด้วยเครื่องตวงหรือเครื่องวัดปริมาณของสีนเท่านี้ความเพียงเท่านี้คุณประมาณไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เครื่องที่จะประมาณได้ไอ้คาว่าประมาณเนี่ยก็ยังแยกปอีกสองนัยยะคุณโยมติว๋วนัยยะแรกเนี่ยก็คือว่าประมาณได้อยู่แต่ต้องใช้เวลามากในการนับอย่างเช่นว่าถ้าเราจะนับเมล็ดข้าวในยุ่งฉางนี้แต่เมล็ดข้าวในยุ้งฉางเนี่ยนะโอ้มันคงมีเป็นหลายล้านเมล็ด แต่ถ้าจะมานับทีละเมล็ดมันก็คงจะใช้เวลานานมากงั้นก็พอประมาณได้ว่าหยุ้งฉางแต่จะประมาณว่ากี่เม็ดอันนี้มันประมาณได้ยากคุณต้องใช้เวลานา น, านในการนับอันะนี้คือยังพอประมาณได้แต่ประมาณได้ยากนะกับที่ว่าประมาณไม่ได้เลยคำว่าประมาณไม่ได้เลยนี่คือมันคุณไม่สามารถนับอ่า เ, เช่นว่าคุณจะนับศีลคุณจะนับยังไงอ่ะคุณจะนับสมาธิ pm? คุณจะนับยังไงอ่ะ คุณจะนับปัญญาคุณจะนับยังไงมันมันประมาณไม่ได้เลยตรงนี้แหละคือที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่สามารถประมาณไดนะ้ไม่สามารถจะมีเครื่องกําหนดที่จะประมาณได้ไม่มีอันนี้คือลักษณะของผู้ที่พ้นถึงความเป็นพระอาหันตแล้วนะทีนี้ในความที่อยู่ในระหว่างเส้นทางนะซึ่งในเรื่องที่คุณจะกริ่ามเนี่ยก็แน่นอนหลักคงจะมาจากพระสูตรสองพระสูตรนี้ในะส่วนที่ของอุบาสิกาที่ชื่อนิกาสาลา ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเป็นคนชอบถือประมาณในบุคคลเลยอ่าอย่าเป็นผู้ที่ชอบถือประมาณในบุคคลเพราะว่าจะทําลายคุ ณ, ณวิเศษของตนได้ซึ่งแน่นอนว่าขันห้านี้ไม่เที่ยงแน่นอนใช่ไหมเลยเอามาใช้เป็นเครื่องกําหนดไม่ได้มังแปดมัแปดเองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคุณยมเดียวนะไม่เที่ยงเนี่ยแล้วเราจะเอาตรงเนี้ยเป็นหลักเป็นแบบที่พึ่งที่เราจะแน่นอนแล้ ว, ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอืนเปล่าอันนี้คุณจะพลาดได้ใช่คุณจะพลาดได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ ควรตือประมาณอา้าวแล้ ว, ลวการปฏิบัติของเราจะทํายังไงล่ะถ้า ง, งั้นประมาณไม่ได้งั้นฉันจะทําไหวหรอนี่อาจจะมีคนถามข้อนี้ขึ้นมาแนววิธีการปฏิบัติเน้นมันไม่ยากอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเราเห็นใครสักค น, กนหนึ่งที่เขาปฏิปบัติดีปฏิบัติชอบตามศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือร่องรอยของธรรมะอยู่แล้วเราก็ควรบูชาผู้นี้ควรต้อนรับควรถวายของควรประคองอัญชลีอันนี้เป็นกิจที่ควรทำํำในเรื่องเกีก่ยวกับสังฆ ค, คุณ นะแล้วตัวเราเองก็ปฏิบัติตามมาร์กแปยปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยดีขึ้นค่อยพัฒนาขึ้นนะนะค่ะค่ะถ้าดิฉันจะสรุปตามความเข้าใจนะคะเพื่อที่จะทบทวนของตัวเองด้วยก็คือว่าการถือประมาณในบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเราไม่ควรถือประมาณเลยเพราะว่าดิฉันกําลังมาติดตามตอนที่ท่านบอกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องของมาร์เนี่ย คือศ ส, สมาธิปัญญาใช่ไหมคะอืมอาจจะพอที่จะเป็นเครื่องเขาเรียกคะพ อ, อที่จะยกําหนดกำหนดพุทเจ้าใชา่คำนี้กําหนดอ่าพ อ, พอที่ททจะกําหนดได้ถ้าดูว่าเขาเป็นคนศีลดีมีสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะใช่ไหมคะใช่เอ่อแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันถูกต้องจึงต้องอ่าให้คหํานึงถึงพุทธพจน์ที่ว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า ด้วยอย่างนั้นว่าค่ะใช่ๆเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะทำลายคุณวิเศษของตัวเราเองอเพราะว่าเรายังเท่ากับ ว, ว่าเรายังไม่เข้าใจธรรมะเต็มที่ว่าเรื่องของขันห้านั้นเป็นอสังขาธรรมอ่าซึ่งไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเช่นเดียวกันกับเรื่องอของมรรคแปดก็ยังไม่เที่ยงเช่นเดียวกันถูกต้องนะคะค่ ะ, ะแล้วมันมีในย่หนึ่งตรงนี้ที่คุณโยมที่พูดถึงว่าในเรื่องของคนอื่น แต่ <Okay. S 1> ว่าเราไม่ไปประมาณคนอื่นอันนี้แน่นอนอันนี้อันที่หนึ่งละท <Okay. S 1> ีนี้เรื่องประมาณของตัวเองด้วยนต่นเพราะว่าในสมัยท้ายๆสมัยบุตรการเนี่ยพระบุตรเจ้าเนี่ยพยากรณ์คนนั้นคนนี้เอา้าคนนี้เป็นสกทาคมีคนนี้เป็นอรหันคนนี้เป็นโสตบันนื้จะพยากรณ์ไว้เยอะมากเลยในช่วงสามสี่เดือนสุดท้ายก่อนการปฏิบติผ่านช่วงปีนั้นอนะรอบสิบสองเดือนนั้นเนี่ยจะทําแบบนี้เยอะมาก <Okay. S 1> โดยให้เหตุผลว่ า, าคนที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะได้รู้จักว่า ไอคนนี้ไอฉันรู้จักนี่นะคนนี้เขาอยู่บ้านนี้เขามีความเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเขาตายไปแล้วเป็นโสดาบันเนอะโอ้ฉันจะได้ทําบ้างนี่พระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ข้อนี้ดังนั้นตรงนี้จึงเป็นที่อาตมาได้ข้อสรุปว่าการที่เราจะเอาศีลสมาธิปัญญามาพอจะกําหนดเนี่ยพอจะทําได้มันจะได้ไม่มีกําลังใจตรงนี้ขึ้นมานะแต่การประมาณว่าต้องประมาณเท่านี้เท่านี้ ตรงนี้มันจะประมาณได้อย่างเพราะมันไม่ใช่วัดอย่างนั้นพอจะกําหนดได้แต่การประมาณเนี่ยประมาณไม่ได้โอเคนะค่ ะ, ะ, ะงั้นเท่ากับว่าเรายอมรับได้หากมีผู้ปฏิบัติซึ่งอาจจะเป็นพระสงฆ์ซึ่งดูท่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอแล้วก็มาบอกว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยน่าจะประมาณได้สักเท่าไหร่อันนี้รับฟังได้อย่างนั้นหรือยั ง, งค ะ, ะประมาณไม่ได้แต่กําหนดได้ว่าโดยใช้มรรคแปดเป็นตัวกําหนด แต่ว่าจะประมาณได้ว่าโอดีหรือไม่ดีมันคุณคุณประมาณไม่ได้ถ้าองั้นก็คงจะกําหนดได้แค่ว่าเออโยมเป็นคนอยู่ในมัดดีดีอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะแต่แต่จะไปบอกว่าโอ้โยมอย่างงี้โสดาแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันเครื่องประมาณในมัดไม่ได้ฉันเองนะคะอืออดิฉันก็มีความรู้สึกว่าอดิฉันก็ศึกษานะระโสดาบันเนี่ยมีคุณลักษณะแบบนี้รักษา ศีลใช่ไหมคะอืมอ่าได้อย่างเคร่งครัดศีลห้าแล้วก็ศรัทธามั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระสงฆ์งนี่นก็เหมือนกัแบบพลาวในตัวเองมากเลยอืมอืมนี่แหละอ่าไม่มีทางเป็นนรกแน่นอนอยังไงฉันจะเจอเธ อ, เธอไม่อีกไม่เกินเจ็ดชสมมุติอย่างเนี้นะคะอันนี้ทดิฉันทำได้นหมคะก็ะนี่ไงจะพลาดตรงนี้ไงเพราะว่าคุณวิเศษของตัวเองจะเสื่อมไปเนื่องจาะว่าเราเราถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าล ที่ผิดแบบนี้มันก็จะทําให้พลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะที่ฉันพยายามยกตัวอย่างแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจากคําถามของคุณจั ก, กริตไปพร้อมๆกับท่านฟังคนอื่นด้วยเลยก็ต้องกราบในมรสการขอบพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับวันนี้คะ่ะเจริญบานมรการคะ่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเนี่ยคะ่ะการเสพทำทีเล็กทีละน้อยก็ทําให้เราได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและถ้าสมมติว่าเอ๊ะ ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยก็ฟังต่อไปเรื่อยๆนะคะบางทีความรู้ในวันนี้เนี่ยจะไปพนพื้นฐานของความรู้ในวันหน้าหรือว่าบางทีไอ้ที่เราไม่ค่อยชัดเจนในวันนี้พอฟังหน้ามาอ๋อมาสวมใสยกันพอดีเลยก็ติดตามรับฟังรายการกันต่อไปเป็นการตอบคําถามโดยพระมหาภัยบุญอภิปุณโงผู้ที่ได้สอนการปฏิบัติและปฏิบัติร่วมกันไปกับผู้ที่มาฝึกปฏิบัตินะครับที่วัดป่าดอนไฮโซเป็นประจําค่ะ สำหรับวันนี้เราก็คงจะร่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะผู้ทวีสวัสดีค่ะ